หน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาะทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจริญก้าวไกลาชาคนเรื่องให้ประเทืองและงามนิรัยอาณาไม่พระปานําไปขอตั้งใจอาตาเกษบาล่วยรับงานมากมายหลาด้านเจ็บหรือตายหุ่นไว้ใย่บ้านเกษบาลต้องรับแจ้งมาเผ่าทํามการที่ทํางานพร้อมไปทุกราเพื่อนครนิวัต เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามกลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยพคลมงให้ัใจด้วยการรับใช้กันไปเหนือคไหนไม่สคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งท่านินสุขสัน์ทั่วกันเทศบาลก็คือเรา เหตุสำคัญนี้จึงสำคัญร่วมกระสานคอยรวมมือ สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจริญก้าใครชาติเป็เรื่องให้ประเทืองไล้งานไม่เลยอาณาไมายพระปราณ์นางไปขอตั้งใจอาสาเสบาลน่วยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นไว้ย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเป้าทำงารที่ทำงานพรอมไปทุกนาเพื่อนครนิวัติพนาเป็นวัน เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามขนองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อพงพลมงให้จำปังใจด้วยการรับใกันไปเหนือแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเทศของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางทานิสสันทวการเทศบาลก็คเราม่ช่วยสัมพันเทศบาล งานประเทศศีลาอาี่รังษาตรถดีเมืองพระสีพนมมาศแหล่งไม่กว่าตองกงดงหอมแดงเรื่องชื่นนำระบืตตำนานเมืองไม่ๆมวิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมมาือศูนย์กลางแห่ง อ, รอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบูรณสมบูรณ์ของเมืองละแลกที่ไม่มีวันสิ้นศูนย์สลายสวัสดีครับคุณนุนฝั่งครับพบ ก, กับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาติเมืองละแวกครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช25ห หลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้ 17.30 นาทีจะเป็นรายการข่าวสรารข่าวฝากต่างๆของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ บรรดาให้ลูกชายร้องไห้งโง่แงพ่อปลอบปลูกเท่าไรก็ยิ่งร้องร้องหาแต่แม่จนสุดท้ายพอพัดพังโกหกไปด้วยพิจารีประเพณี สามีออกจากละแลไปโมกยามเขามินแทนใจตัวสามีทิ้งทุกมาเห็นย่งสุดท้ายเขามินทองย่อนตามหาที่ทิ้งไว ซ่า สาวอ่ผ่านจอมือถือนับวันนับเมือ่อนับจนนิ้วที่เกี่วแล้วนาะสถาหนกการยังคีดยังกันเลื่อนวันสัญญาพอแหงแลงวละเดนองลาใจคนทามันจอยมันพอ้อสองแต่แก แนำแต่น้ำเป็นตาหักหลาอาบน้ำแล้วไม่ไมกรุนผมเรือนกายจ้ของสีห้อบางวิดีโอคอได้เห็นได้ยินแต่ไร้เิ็นโ่มดองจุกจอมือถธอมอมมองรอทาเมื่อพร้อมจักสิแมนมือไดยได้แต่กอดทิพย์ กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์เขี่ยบเบืองรูปสมัยแรกจริงก็สมมุติเอาวว้กอดแบบใดในโลกความจริงยังกอดนิสินกอดความเดียวได้ผูกครั้งในครั้งเมืองใหญ่ยังเมื่อบอดได้เจ้านายพันวาใจคึ้ทอนเบืนอให้รอ ไปอดวัดนนอยากเมื่อเอารางวัลเมื่อเฮาพบกันจงไว้ให้แน่นะย่านคนล้อน ย, ยับใสย่านแท้เด้ยบ อ, อยู่ห่างตากอดทิพย์ไปก่อนเด้อลาแล้วอายสิมากอดนางจริงจริง เบิ้งรูปสมัยแรกจงก็สมมติเอาวา่ากอดแบบใดในโลกความจริงยังกอดนิสินกอดความเดียวดายููขังในกลางเมืองใหญ่ยังเมื่อบอดใเจ้านายผันวา่าบอกใจคิดห่วบืนให้รอดไปฮอดวันน้า อยากเมื่อเอารางวัลเมื่อเหาพบกันจงไว้ให้แน่นะนย่านคนลอยยามใส่ย่า น, ทนเทเดอยามอยู่หางตากอดทิพไปกอนเดินลาแล้วอายสิพาความคือทอดมากอดคัก สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันอังคารที่13กันยายนครับและแน่นอนครับวันนี้วันแรกของงานเปิดลังศาสตร์หวานนะครับก็เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุตรดิต์นะครับ13ถึง22กันยายนคืนนี้คืนแรกนะครับวันแรกด้วยใครที่สนใจก็ไปเดินเที่ยวงานกันได้ครับแต่ก็ต้องไปแบบ New นอ r m a l นะครับยังต้องสวมใส่แมส ป้องกันครับเพราะว่าคนก็มาเที่ยวกันทั้งจังหวัดรวมถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยมากันเยอะครับที่สําคัญโควิดก็ยังอยู่นะครับก็ยังมีการพบผู้ติดเชื้อเรื่อยๆทุกวันยังมีครับยังมีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญของมันแต่ว่าโรคมันก็ยังอยู่อาการก็ยังเป็นไข้ ก็ยังมีคนที่มีอาการรุนแรงอยู่แต่ว่ามันก็น้อยลงกว่าปีที่แล้วมากเลยครับน้อยกว่าเดลต้าเยอะมากพราะเดลต้าลงปอดโรงพยาบาลสนามเปิดเพียบแต่ว่าของโอเมก้ารอนนี่ค่อนข้างที่จะเบาเหมือนกับอาการเหมือนกับเจ็บคอเป็นหวัดไอต่างๆค่อนข้างเยอะแต่คนที่อาการหนักก็ยังมีอยู่ ก็ไปเที่ยวกันแบบนิวนอร์มอนนะครับสวมใส่แมสเป็นระยะห่างได้ก็เว้นจะได้กลับบ้านมาอย่างมีความสุขนะครับก็จะได้ดำเนินชีวิตต่อคุณรู้ฟังเดินทางให้ปลอดภัยด้วยนะครับอย่าลืมในเรื่องของส่วนควบรถต่างๆครับการมีน้ำใจบนท้องถนนด้วยบางทีไม่ต้องเร่งรีบนะครับระยะใกล้ๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับ าถ้าแค่อยากถามว่าเป็นยังไงตอนนี้หัวใจอายมันโคมาอุบัติเหตุรักชนน้ำล้อนออกตาบออยากเธอหนาคู่กรณี รักษาหัวใจไปตามอาการที่มันบานเจ็บหมอบอรับแยบใจเยือเหลือทีนอนหายใจรวยรินแทบสิ้นชีวิตขอวอนคนดีบอต้อมา ภาพเขาเคียงคู่เธออย่างเธอลำเข็นอย่ามาเห็นภาพจริงเลยนะไอ้กลัวหัวใจหยุดเต้นข้าเห็นเต็มตาขอวอนการหาจบกันด้วยดี ก ah ับแห่วใจบาซ่ากลัวเขามาตามซ้ำร้อยคยอุบัติเหตุหัวใจทุกกรมีประกันบ่มีซ่อมเองใจเอง เธอลำเข็ตอย่ามาเห็นภาพจริงเลยนะไอกลัวหัวใจหยุดเต้นถ้าเห็นเต็มตาขอวอนการอาจบกันด้วยดีรักล้มละลายร้องไห้กับแหน หัวใจเบาสากลัวเขามาตามซ้ำร้อยขยีอุบัติเหตุหัวใจทุกกรณีประกันเบามีซ้อมเองใจเองอุบัติเหตุ บ่มีส่อมเอง มีให้นั่นคือเปิดหัวใจเท่าที่ฟ้ามันให้อยู่น้ำกันสิฮักให้มันดีที่สุดที่หักได้โอ้ดอกที่เกิดที่ยัง บทบาทสนาไปโทวชีวิตมีอายมากพอเคยโชคดีหลายที่มีอายหากบนแอ ส, สุนไทยแล้วอาจสิต้องจากลาให้ทาบังมือนางย้อนบอกแลรับตากบอสิ ิอตายยง้ใจบ่ยานสิฝากความฝันแค่ว่าเวลานี้เฮามีกันอยู่ข้างๆโลกนี้สุยางกะบริสำคัญในมือนี้นาทีนี้บ่มีดอกคำสัญญาต่อกัน ที่มีให้นั้นขับรดหัวใจเท่าที่ฟ้ามันให้โยน้ำกันสิหากให้มันดีที่สุดที่หากได้โอ้ดอกที่เกิดที่ยังทอบ s a t h l e i ay o Kaya si i t i y a สุดที่ฮักได้ผูดอกที่เกิดทียด่ยัง เคยโชคดีเลยที่มีอายหากูมาแดดชัดหนักจัดเต็มอีกแล้วคุณผู้ฟังสารณน่ารวูว น, นี้ครับผมหยิบเอาเรื่องราวของสมุนไพรที่ลดไขมันพอกตับ เมาฝากครับไขมันพอกตับครับเป็นภาวะที่อันตรายแล้วก็ถือว่าเป็นภัยเงียบที่ไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรกๆบางคนกว่าจะรู้ตัวก็มีอาการไม่สบายไปมากแล้วนอกจากนี้ไม่จาเป็นว่าต้องมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนถึงจะมีไขมันพอกตับได้นะครับเพราะบางคนน้าหนักไม่เกินเกณฑ์แถมมีรูปร่างดีแต่ตรวจพบไขมันพอกตับก็มีให้เห็นเยอะแยะคุณู้ฟัง ซึ่งหนึ่งในนั้นครับในวิธีการลดไขมันในตับก็ใช้สมุนไพรช่วยได้ครับลองมาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับกระเทียมคุณผู้ฟังกระเทียมมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการลดไขมันในเลือดและลดการอักเสบหลายตัวครับนอกจากนี้ก็ยังมีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ ลดค่าเอนไซม์ตับโดยเลือกกินได้ทั้งแบบกระเทียมสดหรือจะกินสารสกัดกระเทียมที่มีอลัลลินก็ได้แต่ทั้งนี้หากเป็นสารสกัดก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อ น, อนโดยเฉพาะคนที่กินยาบางตัวอยู่เป็นประจำเช่นยาต้านการแข็งตัวของเก็ดเลือดเป็นต้นขมินนขม้นชันครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบบำรุงตับ และป้องกันตับถูกทำลายจากสารเคมีและสารพิษอีกทั้งยังมีการศึกษาขมิ้นชันในแง่ของสรรพคุณลดไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่เป็นไขมันพอกตับจากภาวะดื้ออินซูลินที่มีผลต่อการเผาผลาญไขมันซึ่งงานวิจัยก็พบว่าเมื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับกินสารสกัดจากขมิ้นชันผลปรากฏว่าไขมันที่ผ ส, สมในตับ ลดลงไปประมาณ 78.9 เปอร์เซนะครับก็เป็นการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวด์นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำหนักตัวลดลงระดับคอเลสเตอรอลรวมทั้ง LDL และไตรกลีเซอไรระดับน้ำตาลในเลือดและค่าเอนไซต์ตับก็ลดลงด้วยลูกใต้ใบครับลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณดีต่อตับหลายด้านทั้งช่วยกระจัดพิษจากตับบารุงตับ รักษาการอักเสบและสร้างสมดุลของไขมันในตับโดยจากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากลูกใต้ใบมีสารสําคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอมไซ์ที่ช่วยย่อยไขยมันส่งผลต่อการลดระดับไขมันในเลือดอีกทั้งในตำรับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนอินเดียยังใช้ลูกใต้ใบบำรุงตับรักษาโรคดีซ่านมายาวนานโดยขนาดรับประทานคือน้ําลูกใต้ใบหนึ่งแก้วหลังอาหารสามือ้อ รางจืดครับสมุนไพรารางจืดมีสรรพคุณลดระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันไขมันอุดตันอีกทั้งยังช่วยปกป้องเซลล์ตับจากการถูกเสื่อสารพิษสารเคมีทำลายนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในหนูทดลองที่พบว่าสารสกัดน้ำจากรางจืดช่วยลดการอักเสบของตับได้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยไขยมันพอกตับซึ่งสมุนไพรลดไขมันพอกตับทั้งหมด ที่เล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ไม่ใช่สมุนไพรไกลตัวนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้มีในรูปแบบสารสกัดที่ค่อนข้างหลากหลายแต่แม้ว่าจะเลือกกินสมุนไพรในรูปแบบใดควรศึกษาข้อมูลสมุนไพรข้อควรระวังโดยเฉพาะคนที่มีโรค ป, ประจําตัวตั้งครรภควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อ น, อนทุกครั้งครับแล้วก็ต้องเข้าใจด้ครับว่าการใช้สมุนไพรบํารุงตับเป็นเพียงตัวช่วยที่ปลายเหตุครับ จึงไม่ควรหวังผลในการรักษาโรคใดๆส่วนคนที่รับประทานสมุนไพรในรูปแบบอาหารก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ติดต่อกันนานเกินไปและไม่กินเฉพาะเพื่อสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เน้นกินอาหารที่ครบหลักโภชนาการจะดีที่สุดครับก็เป็นสาระน่ารู้ที่หยิบ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ สร้างมาต่ำใจคักแชอนอนนั้งเอ้ยเคยเป็นคนใช้ไหมบ้มาแล้วถือใจใสเมือได้พรเจ้าคนคือไอ้ทรงโนแป่ใจอ่อนโยนขอวอนนอนเบาอยากได้เจ้าเป็นแฟนจับมือขูนแคดคือทรงสิบ ข, ขาวชาเลยแต่งมัตเป็นเพลงให้มันบัลลงแนวเพลงอินดี้ ทั้งใจที่มียบให้คนดีพร้อมนำสกุลลุ้นว่าเธอสิมักคักหรือเธอบอ่กมากคักพร้อมใบสมัครคักทั้งใจบก่กคักลู้นฝากเพลงนี้ล้มลอยต้อยนางคอยใจบางบางของน้องพองโตเปิดรับไอเข้าไปในใจ บอให้ล่นขาดยังเพียงแค่นางสั่งมาไอ้สิฮามันให้พอให้พอใจเจ้า หลห้อยล้มล่องไปพร้อมกับความวุ่นวายจากใครคนหนึ่งส่งไปถึงหากแพลงนี้ดังขอให้เจ้าจงฟังตั้งใจดังว่าทุกคำที่เขียนมาจากด้วความรู้สึกเขาสารภาพาไปเธอได้รู้ว่าใจดวงดีมันมีต่วยู จะมใักเธอนอนแล้วนางได้เคยเป็นคนใช่ไหมมาถือที่ใสลืมือในพร้อมตั้งคนผู้หายสัจนแต่ใจอ่ อ, อนโยนว่าใจล้มเปิดบาขันได้เจ้าเป็นแฟนจะมือของกันคือสองสีขาวชาเลยแต่งมาเป็นเพลงให้มันเป็นแรงเนะื้เพลงดอกหิงดีหมดทั้งใจที่มีบ่ให้คนดีที่พร้อมจะเคียงข้างไม่วันราชการรอกขอเียไม่มีวันหยุดที่เธอคนนี้ไม่เใจจะพูดีกที อักเพลงนี้ล้มช้อยต้อยนางคอยใจบางบางของน้องต้องโตเปิดรับไอเข้าไปในใจเป็นไปได้ไหมเป็นไอได้บอสีดตูร่าบอให้หล่นขาดอย่างเพียงแค่นางสั่งมาไอาสิหาไม่พอให้พ อ, ใ, พอใจเจ้า คำหักทีน้อยลงลงไปพร้อมกับความห่วงใยจากใครคนหนึ่งส่งไปถึงหากแพลงนี้ดังขอให้เจ้าจงฟังตั้งใจเดินละว่าทุกคำที่เขียนมาจากความรู้สึกเขาสารภาพื่อเธอได้รู้ใจตรงนี้มันมีแต่ยู่ฮู้แน่เดินอง สสถ้าเลือกผู้พี่ผู้น้องก็ดีบ่อาจตัดใจเลือกผู้น้องก็คิดเสียได้ผู้เป็นอ้ายหัวใจหาเจนนจังไดสองคนต้องมีหนึ่งคนเป็นเจ้าของใจบ่ต่ใสยังสันส่นสได้แต่เรื่องคู่ใจบ่ได้ดอกนาะ ผู้ชายเป็นยังมีสองใดละเส้าเส้าน้องยะฮาวาเอาหัวสองคนมายู่นำกันเลือกสังคนใดบอกอ้นอุขเจ้าก็ได้สิเอาน้องเอาอาเอมีสิเลือกได้หนึ่งคนออาสา ฝาสิพานคนสาจนจนหัวใจน้องมักสองคนบอกอาจตัดคนเลือกอีกคนได้ถ้าเลือกบ่ใดในฐานะอายขอสละให้น้องระเบนี้พี่ชายเอาก่อนน้องขอยอมทอนตัวจากไปตกลง ไอ้สิเอาบ่อเอาเธงสองแม่นบ่หน่ อ, นองแม่นอ้ายแล้วน้องสิเฮ็ดจังได้กบไปหาคหุณไม่มือไอ้ขอบ เลือกตาเหตุหนึ่งคนเอาสองพันยนื้อภาจฟสิพาคนซาจนจนหัวใจน้องมักสองคนบ่าอาจตัดคนเลือกอีคนได้ถ้าเลือกบ่ได้ไม่ท่าน้ายขอสละให้น้องประเพนี้ที่ชายเาอาไป ต้องขอยอมทนตัวจากายตกลงไปสิเอาบอเอาเทินสองแม่นบ่อน้องแม่นอายแล้วน้องสิเฮ็ดจังได้ขับไปหาคนใหม่มู่ายขอใบบา ย, บาย จะทำร้ายทาอแค่ได้เจอก็รู้สึกรักรักเธอหมดใจเห็นสายตาที่เธอมองฉันก็รู้ว่าเป็นเชนไรเต้องฝืนหัวใจแค่ไหนนอนอยู่กับฉันทั้งที่รู้ว่าเขาไม่รักแักใจก็ทำไม่ไหว ยาคไนฉันหวังให้เธอรักกันในสักวันใช้เวลาเนิ่นนานหลายปีก็ไม่มีวิแว่แวววันนั้นอาจก ล, ลายเป็นคิดนี้กันแค่ไม่ทันเตรียมใจโอกาสสทานหัวใจไร้ล้านาเมื่อถาสิ้น มากันที่พยากรณ์อากาศครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น, าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29ถึง34องศา ค, ครับก็เป็นพยากรณ์อากาศประจําภาคเหนือถึง16โรยกาวันพรุ่งนี้นะครับก็70เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็แน่นอนมีอุตรดิต์รวมอยู่ด้วยต้องลุ้นอีกแล้วแต่ตอนนี้แดดดีดีนะคุณผู้ฟัง เุยนบ่มีไม่คำนางาลงใสขี้ดินคือจึงนกตายโต๊กยอนฝ่าปีนแค่ได้ยินคำว่าบอได้หักกันแล้วเฮาบ่าสมกันแล้วมีแต่แนวเม้นกุยไปหนาะกักขังมะนอาไว้โดนเติบว่าสันว่ากอสิมา ว, ว่านกเจ้าสิบินเจเจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกำาฟขี่ทางออกป่าบ่าใบบอกควรคูรถจนานองใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดมคนใจฟงปลิวหายไปตามบอง ความหักที่เคยได้จากน้องดินไปคือนมเจา้า น, น, น, น้ำในใบบอนยังแน่นอนกว่าใจเจา้าผิดที่เฮานั้นคิดไปไกลปวดเป็นพญาตาสองมองไกลว่าสิใดเป็นคู่มันมา แอนกเจ้าบินใจเจิดนีหักเเฮานี่อยู่คนละกฝายทขี่ข่างอป่าบ้าใบบอกควรคูรถจะหน้านองใจประสงค์ห่างกลางบ้านก็ว่าดมข้นใจฟุงปลิวหายไปตามบอกความหักที่เคยได้จากนองดินไปคือนกเจ้า เจดี้หักเฮานี่อยู่คนละกําไฟขี่คางอป่าบ่าใบบ่กควรคูร่ระนานองใจประสงค์ห้างกลางบ้านก็ว่าดมค้นใจฟงปลิวหายไปตามบอกความหักที่เคยไดจากน้องดินไปคือนกเจ้า บินเจอเจิดนี้ฮักเฮานี่อยู่ค้อนละกำายที่ขางอป่ามบใบบอกควรคู่รถจหน้านองใจประสงค์ห้างกลางบ้านกะว่าดงคนใจ <บ>กะหักคือกันละน้องขันน อ, องบ่หักคองบ่กล้าเเเจ้าคนชั้นสูงเรียบดังนอกอยุงอ้ยมันน้อมเจ้าสาวตาเดยวตายาวาแบ่งชนแบ่งเผาเผาคนคือกันขันเว้าจังสัน ไม่ยืนยันได้บอนนอนาให้ลีลาวัดเหตย์ยังเมามาอยากปังสิ่เหตให้พาความแก้มอ้ายได้บอหื้อายคนนอกให้สิกรบานา น, นเห็นบอหลักเจ้าบอฮักกันแค่อายหอมอยังบอเหตใด น, น, นองสี่หอมกระได้ หมออม้ไอ้อสิหอมคำวันคำคืย่อมแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ไอค้คมต่ำต้อยได้หักกับเจ้าพยานความตายจังเป็นขันปากหวานเป็นให้น้องการักไอ้ยอมตายน้ำีจไอ้หักเจ้าอีลี ลีลาวดีอายแวาจากใจยังนักบอชัดแวาไม่เวัาหักใครแวาไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเดินอายหักผู้สาวชื่อลีลาวดีนับเข้ามามีแนวบอกกีผู้่าวลีลาวดี สิหอมคำ ม, มันคำเคียมแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ไอคนต่ำต้อยได้หักกับเจ้าพยานความตายจังเป็นพันปากหวานเป็นให้น้องกะหักไอยอมตายนำไอหักเจ้าอีลีลีลาวดีไอเว้าจากใจยังนั้น วัดหักภัยเบาไม่เดียวนี้ตั้งใจฟังเดินายหักผู้สาวเชื่อลีลาวัดีนับเข้ามามีแนวบอกดี่เบาลีลาวัดีเชื่อเรวัดตาแมบอนออบอกีได้แน ครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่จะลงทะเบียนครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันที่20กันยายนครับชาวชุมชนฟักท่าหัวร้องป่ายางนะครับไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนยางกระไดเหนือ21กันยายนชาวชุมชนคลอกช้างชุมชนตลาดรับแพรไปลงทะเบียนได้ที่ทําการชุมชนคลอกช้าง 22กันยายนชาวชุมชนยางกระไดใต้ชาวชุมชนบ้านหนองไปลงทะเบียนที่ทำการชุมชนยางกระไดใต้วันที่23กันยายนชาวชุมชนยางกระไดเหนือและทุกชุมชนนะครับก็เก็บตกครับไปที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับในส่วนของเอกสารที่จะลงทะเบียน ท่านสามารถไปรับได้ครับที่ประธานชุมชนทั้งหกชุมชนนะครับก็ไปรับแล้วก็มากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อที่วันที่ลงทะเบียนก็จะได้สะดวกและเร็วขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกรอกข้อมูลก็ไปปุ๊บตรวจสอบยื่นปับ๊บกลับบ้านสะดวกและรวดเร็วนะครับก็ทางทกศครับก็มา ให้บริการครับอานวยความสะดวกให้ถึงที่ทําการชุมชนในแต่ละวันที่แจ้งไปนะครับก็ขอแจ้งไปยังท่านที่อยู่ในชุมชนต่างๆให้ไปตรงวันแล้วก็ตรงสถานที่ด้วยครับส่วนใครที่ไม่ว่างจริงๆในวันของตัวเองก็ไปอีกครั้งได้วันที่23กันยายนที่ทําการชุมชนอย่างกระไดเหนือนะครับ ดีกรีที่เทลงแก้วบอกอายเทแล้วว่าเอาโซดาเจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดาลองเบิ่งจ้าคืนเห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวมูเข้ามาเที่ยวมวนแตว่วนๆมาติดต่อ ก, กันหลายคืนนั่งโต๊ประจำทำใจทุกที หลายเพื่ออายได้ยากนายามเจ้ากลับบ้านบ่ไหวเห็นแ ล, ล้วรู้ตนจนอดบอดไอลอิให้คนบ่ฮักให้เขาเบาดคักเราบ่หัวใจเจ้าจังมานางห้องไอ สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสว่างบ่เป็นตาเส้นจักน้อยแนต่ตีมันซอยใดอยู่บ่ดีกรีใจเจ้ามืยอี้ยังหักไห้อีกใดบ่ ยังบอมีทางอื่นให้ใจฟื้นขึ้นมาได้เลยให้เขาบาดใจเขายังกิน่มนองสายอาเอใจน้องพังคักดิลีให้คนบอกหักให้เขาบาดคักอยู่ายหัวใจแต่สิ่งที่เขาคืน Just I s e น today. Thank you, I l น k e my husband in a good way. f จ o m t ทรงใจไปหาตั้งแต่วันร่ำลานำพารักกอดเต็มหัวใจเก็บเกี่ยววันค่ำคืนฝืนทนครวนคร่ำเสนฮาจวบจนวันร่ำลาเพื่อผาฝันเกี่ยวไปแสนไกลกลายทางฝัน ฉันนั้นยังเป็นเธอยังรักอยู่เสมอมีเคยเลือนหายกี่หมอกน า, าวเงาลึกแทบขาดใจร่วงเลยเวลาหลับไหลยังเธอ อีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเงาบางหรือเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจของคนอยู่ไกลบอกเขาว่ามีคนรอเฝ้าส่งความคิดถึงไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมน้อง ืนมีเธอเงาเหมือนกันเนนงียมงงพระจันทร์มีฉันนั่งเคียงข้างเธอตายแผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งสรงใจไปหารอเธอหวนึ้นมานั่งเคียงคู่กันเหมือนเก่า เก็บเกี่ยววันค่ำคืนฝืนทนรักฝากใจเอาใจฉันเอาไว้ที่เธอจึงละเมอเพ้อหาไม่เคยเว้น เสม n ไม่เควลล Thank you. คุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลสีพนมราชเมืองรัแหลแล้วนะครับพบกับรายการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาและข้าเกียนตั้งแต่เวลา17นาฬกาถึง18นาฬิกาครับสําหรับวันนี้คงต้องนํารายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ